คำหนึ่งนะที่สื่อความรู้สึกได้ดีแล้วก็ให้ภาพพจน์ที่ชัดเจนนะคือคำว่าหนักใจหรือหนักอกหนักใจนี่เป็นคำและสำนวนที่ใช้กันบ่อยมันไม่ใช่แค่สะท้อนความรู้สึกได้ชัดเจนแต่ว่ามันมันยังบ่งบอกนะ ถึงสาเหตุอย่างหนักใจเนี่ยหนักเพราะอะไรหนักเกพราะแบกการแบกเนี่ยคือสาเหตุที่ทำให้เกิดความหนักใจขึ้นมาการแบกเกิดขึ้นที่ไหนการแบกเกิดขึ้นที่ใจแล้วแบกอะไรถึงหนักใจแบกอะไรจึงทำให้รู้สึกหนักอกหนักใจ ก็ส่วนใหญ่เนี่ยแบกปัญหาอาจจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับงานการเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับที่ดินเกี่ยวกับรถสุขภาพร่างกายทรัพย์สินเงินทองคนรักหรือว่าโทรศัพท์เนี่ยพอแบกปัญหาเขาหรือว่าหมกมุ่นคุ้นคิดถึงปัญหา มันก็ทำให้เกิดความหนักใจเกิดความเครียดขึ้นมาแต่บางครั้งเนี่ยมันก็ยังไม่มีปัญหาเลยนะคนรักบ้านที่ดินทรัพย์สินเงินทองก็ยังอยู่ดีร่างกายก็ยังเป็นปกติแต่ว่ามันก็เกิดความห่วงขึ้นมา ทันทีที่แบกสิ่งนั้นหรือยึดสิ่งนั้นเอาไว้เนี่ยมันก็เกิดความห่วงห่วงว่าจะเสียไปห่วงว่าจะเสื่อมไปห่วงว่ามันจะเมียนเป็นไปหรือห่วงว่าจะมีคนแย่งชิงเอาไปหรือสูญเสียมันไปพอพอคิดแบบนี้เข้า ด้วยอำนาจของการยึดเนี่ยสิ่งนั้นเนี่ยเพียงแค่เชื่อมันจะเมียนเป็นไปในอนาคตนี่ก็เกิดความรู้สึกห่วงเกิดความรู้สึกทุกข์เมื่อจะเกิดความหนักใจขึ้นแต่ที่จริงนอกจากความหนักใจแล้วเนี่ยความทุกข์อย่างอื่นที่เกิดขึ้นกับใจนี่มันก็เกิดขึ้นจากการแบกทั้งนั้นนะ มันไม่ใช่แค่ว่าแบกแล้วทำให้หนักใจอย่างเดียวบางทีแบกแล้วก็ทำให้เกิดความเศร้าความโกรธแค้นเช่นไปแบกไปยึดเอาเรื่องราวเก่าๆที่เกิดขึ้นในเดีสมัยยังเด็กสมัยเป็นวัยรุ่นหรือที่เพิ่งผ่านไปไม่กี่วัน เรื่องราวความสูญเสียของรักนะทรับย์สมบัติเกิดเมียนเป็นไปหรือสูญเสียคนรักนะเพื่อนแฟนพ่อแม่หรือลูกหลานน่าจะผ่านไปหลายปีแต่พอไปยึดเข้า เป็นแบบเรื่องราวเหล่านั้นเอาไว้เนี่ยมันก็ทำให้เกิดความเศร้าโศกบางเรื่องราวทำให้เกิดความโกรธแค้นคนที่สนิทกันแต่ว่ากับหักหลังหรือว่าใครบางคนที่ต่อว่าด่าทอดินทาว่าร้าย เกิดขึ้นมาหลายปีแต่ถ้ายังแบกยังยึดเอาไว้เนี่ยมันก็ทำให้เกิดความแค้นเกิดความเศร้าโศกแล้วเกิดความโกรธตอนนี้มันไม่ได้หนักใจแล้วมันรู้สึกความเผารนรุวมร้อนจิตใจหรือบางครั้งก็รู้สึกบีบขันใจ เวลานึกถึงใครบางคนที่เขาชอบกดดันหรือว่าชอบใช้กำลังใช้อำนาจกับเรารู้สึกบีบคั้นอลองดูนะความทุกข์ใจทั้งหลายเนี่ยมันแล้วจะเกิดจากการ แบกการยึดและถ้าดูดีๆเนี่ยสิ่งที่แบกสิ่งที่ยึดเนี่ยมันมันไม่ใช่เป็นคนมันไม่เป็นสิ่งของมันไม่ใช่เป็นเหตุการณ์หรือการงานแต่มันเป็นความคิดเกี่ยวกับสิ่งนั้นเวลารู้สึกว่าต้องแบกปัญหานี่ จริงๆมันอาจจะไม่ใช่เป็นปัญหาโดยตรงแต่มันเป็นความคิดเกี่ยวกับปัญหาหรือคิดว่ามันเป็นปัญหาปัญหาจะไม่ได้เกิดเลยก็ได้แต่พอเป็นนึกว่ามันมีปัญหาเกิดขึ้นหรือไปคิดว่ามันเป็นปัญหาเนี่ยมันเกิด ค, ความหนักใจขึ้นมาแต่ไม่ใช่ความหนักใจโดยความโศก ค, ความเศร้าความโกรธเนี่ย ที่มันเกิดจากความยึดเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นการยึดความคิดความคิดเกี่ยวกับสิ่งนั้นๆความคิด เ, เกี่ยวกับเหตุการณนน์นั้นๆเวลานึกถึงเหตุการณ์ในอดีตเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดกับใจของเราที่มันเลือกที่จะจํา หรือเลือกที่จะเห็นหรือบางทีก็ปรุงแต่งต่อเติมขึ้นมามันไม่ใช่ตัวเหตุการณ์จริงๆเป็นความคิดเจอเหตุการณ์ซึ่งอาจจะไม่ตรงความจริงก็ได้นจริงๆเราทุกข์เนี่ยเพราะทุกข์แบกไปยึดความคิดเอาไว้แล้วพอมีอารมณ์ตามมาก็ไปแบกไปยึดมันต่อ ความโศความเศร้าความเครียดยิ่งของเราทุกเนี่ยทุกเพราะไม่ใช่ทุกเพราะความคิดนะไม่ใช่ทุกเพราะอารมณ์แต่ทุกเพราะไปแบกมันทุกเพราะไปแบกไปยึดความคิดและอารมณ์ต่างๆเอาไว้อันี้พอรู้เช่นนี้แล้วเนี่ยจะออกจากทุกเรื่องอะไรก็ต้องวาง มันหนักใจเพราะแบกเอาไว้แบกปัญหาหรือความคิดเกี่ยวกับปัญหาแบกบ้างหรือความคิด เ, เกี่ยวกับบ้านจะคลายความหนักอกหนักใจต้องวางพอวางมันก็หายหนักแต่พะพูดอย่างนี้ก็ยังมีคนมักจะย้อนกลับมาว่าเนี่ยพูดง่ายมันทำยาก การวางการปล่อยเนี่ยมันยากอที่มันยากนี่เพราะว่ามันเป็นของใหม่มันเป็นสิ่งที่เราไม่เคยทำหรือไม่คิดจะทำเลยอาจจะเพราะมีข้ออ้างต่างๆเนะเมื่อคนที่โกรธเนี่ยรู้ว่าโกรธทำให้ทุกข์ทำให้จิตใจรุ่มร้อน แต่พอบอกหรือแนะนำว่าให้อภัยเขาเธอก็จะปฏิเสธไม่ยอมรับบางทีโกรธคนที่แนะนำที่ปฏิเสธก็เพราะว่าเนี่ยมีเหตุผลมากมายที่จะต้องโกรธจะให้อภัยมันได้ยังไงยังไม่ต้องพูดถึงว่าเนี่ยมันทำยากนะ แต่ที่ว่าทำยากเนี่ยนะส่วนใหญ่ก็เพราะว่าไม่คิดที่จะทำมากกว่าเพราะมีข้ออ้างเพราะมีเหตุผลต่างๆมากมายการปล่อยวางก็เหมือนกันนะที่หลายคนบอกว่ามันยากเนี่ยเพราะว่านอกจากไม่เคยทำแล้วมันไม่คิดที่จะทำด้วยอยากจะตอบโต้ แต่ว่าถ้าหาว่าใคร่คนจริงๆเนี่ยมันก็จะรู้ว่าจะหายทุกข์ได้ใจจะเบาจะโล่งจะโปร่งเนี่ยหรือเย็นได้เนี่ยมันก็ต้องวางวางความคิดวางอารมณ์วางเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆซึงรู้วเป็นเรื่องที่อยู่ในใจคราวนี้เนี่ยถ้าว่าคิดที่จะวางหรือเห็นว่ามัน เป็นสิ่งที่จะช่วยให้จิตใจเราคลายทุกข์ได้เนี่ยมันก็ต้องเริ่มทำเริ่มปฏิบัติหรือถึงแม้ยังไม่มีเหตุการณ์หรือความทุกข์เกิดขึ้นแต่รู้ว่าต่อไปมันจะเกิดขึ้นอะ่ะมันก็ต้องมีการเตรียมมีการเตรียมตัวแต่เนิน่นเแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่คิดที่จะเตรียมตัวแต่เนิน่นเเพราะว่า มันมีอ่างอื่นที่น่าสนใจกว่าหรือเป็นเรื่องเฉพาะหน้ามากกว่าเรื่องที่น่าสนใจก็จะเป็นเรื่องเงินเรื่องเที่ยวเรื่องหาเงินหาทองเรื่องสนุกสนานหรือไม่ช่นั้นก็เพราะมันมีเส้นตายที่ต้องรีบทําให้ทันมันมีเรื่องเฉพาะหน้าเรื่องปากเรื่องท้องเรื่องงานเรื่องการ ตอเมื่อมีปัญหามีความทุกข์แล้วเนี่ยถึงคิดอยากจะแก้คิดอยากจะออกจากทุกข์แต่พอพูดเรื่องเรื่องปล่อยวางนี่อหลายคนก็สึกบางทีท้อเลยนะรู้สึกว่ามันยากแต่จริงๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่เกินวิสัยของคนเรา เป็นสิ่งที่สามารถที่จะเริ่มต้นทำได้ด้ว ย, ว, ยวิธีที่ง่ายๆแม้บางคนจะบอกว่าโอ้ยไม่มีเวลามาปฏิบัติธรรมไม่มีเวลามาวดไม่มีเวลามาฝึกสติไม่มีเวลามาทากรรมฐานเพื่อจะฝึกใจให้ปล่อยให้วางแต่แม้อยู่บ้าน ไม่มีเวลามาปรียตัวมาปริบดติธเนี่ยเราก็สามารถที่จะฝึกการปล่อยการวางได้นะโดยวิธีมันก็ไม่ได้ยากอะไรนมันมีวิธีที่ไม่ยากอะไรเลยวิธีนั่นคือการรู้จักวางของให้เป็นของในที่นี้เนี่ยก็ก็หมายถึงปากกาดินสอแว่นตากุญแจเนี่ย ถ้าเรารู้จักวางของให้เป็นนะไอการที่จะปล่อยวางสิ่งที่ทำให้หนักอกหนักใจทำให้ทุกเนี่ยมันก็ง่ายขึ้นมาลองดูนะวั น, ว, นวันหนึ่งเนี่ยเราต้องเสียเวลาในการหาของเนี่ยใช้เวลารวมกันแล้วนานเท่าไหร่เนี่ยบางทีเป็นชั่วโมงนะและของที่ ต้องการหาเนี่ยนะมันก็ไม่ใช่เป็นของที่เก็บไว้นานนะมันเพิ่งวางไว้เพิ่งวางเพิ่งปล่อยจากมือเนี่ยเมื่อหนาที10นาทีนี่เองหรือบางทีแค่สองสามนาทีที่ผ่านมาวางแล้วแต่พอจะหาพอจะใช้หาไม่เจอไม่รู้วางที่ไหนทนั้งนี้เพิ่งวางหยกหยกนี่เอง อันนี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับคนจำนวนมากในปัจจุบันส่วนหนึ่งเพราะว่าของมันมีเยอะของมีเยอะถ้าของมีไม่กี่ชิ้นนี่มันไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่และประการที่สองคือว่าชิวิมันเร่งรีบมันมีอะไรต้องทำมากมายต้องหยิบต้องจับเามา ทำเอามาใช้ทำไมเราวางของแล้วเนี่ยเราจำไม่ได้ว่าวางไว้ที่ไหนทั้งๆที่เพิ่งวางเมื่อสักครู่นี้เองก็เพราะใจลอยอส่วนใหญ่เนี่ยเป็นอย่างนั้นนะใจลอยตอนที่วางของเนี่ยใจอาจจะคิดโน่นคิดนี่ หรือว่าใจเนี่ยอาจจะไปอยู่กับของที่อยากจะหยิบกำลังจะหยิบหรืองานที่กำลังจะทำไอตอนที่ใจเนี่ยมันกำลังคิดถึงสิ่งที่กำลังจะทำอีกสักครู่หรือตอนที่ใจคุ้นคิดถึงปัญหาคุ้นคิดถึงงานการต่างๆเนี่ยไอตอนที่วางเนี่ยมันก็เลยทำด้วยความไม่รู้ตัว พอจะใช้ของนั้นขึ้นมาก็นึกไม่ออกว่าวางไว้ที่ไหนอันนี้เราจะเรียกว่าลืมก็ได้แต่ที่จริงมันเกิดจากความหลงตอนที่วางเนี่ยมันหลงใจมันไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวไม่ได้รู้สึกตัวจะเรียกว่าลืมก็ได้คือลืมตัวพอลืมตัวแล้วการลืมของมันก็ตามมา อย่างเด็กเลี่ยงไม่ได้คราวนี้ถ้ากิดว่าเราฝึกนะฝึกตนฝึกใจนะเวลาวางของเนี่ยเราวางให้เป็นก็คือว่าวางอย่างมีสติวางด้วยความจากตัวรับรู้อยู่ชัดเจนนะขณะที่วางของถ้าถึงเวลาจะใช้เราก็นึกออกนะว่าวางไว้ที่ไหนและถ้าเราทำอย่างนี้เนี่ย บ่อยๆนว่ามันฝึกใจเราได้ดีนะไม่ทำให้ใจเรามีสติมากขึ้นแล้วลองคิดดูนะวันหนึ่งเนี่ยเราวางของเนี่ยนะด้วยมือของเราเนี่ยกี่ชิ้นนะตั้งแต่เช้าจดคาเนี่ยหรือจนก่อนจะนอนเนี่ยเป็นร้อยชิ้นเป็นร้อยครั้งเลยนะเรื่องแต่วาง ปรงสีฟันวางยาสีฟันวางหลอดฟันวางขันวางช้อนวางแก้ววางโทรศัพท์วางดินสอวางแว่นตาวางกุญแจวางกระเป๋าเงินเราวางของต่างเนี่ยเป็นร้อยครั้งในแต่ละวันถ้าหากว่าการวางแต่ละครั้งเราวางอย่างมีสติมากด้วยความสึกตัว มันจะทำให้เรามีสตินะที่เจริญก้าวหน้ามากขึ้นมันคือการฝึกสติอย่างดีเลยแต่ส่วนใหญ่แล้ไม่ก็เห็นความสำคัญมันเท่าไหร่นะเพราะว่าชีวิตที่เร่งรีบทำให้เราเวลาจะใช้ของอะไรก็ต้องก่อนจะเอามือไปจับไปช่วยสิ่งใดก็ต้องวางสิ่งที่อยู่ในมือก่อน ใจมันอยู่กัการที่หยุดหยิบหรือจับฉวยของชิ้นที่อยู่ข้างหน้าแต่มือมันกำลังไม่ว่างรือก็ต้องวางต้องปล่อยทาด้วยความเร่งรีบทําด้วยความขุนหันพันแล่นหรือว่าทําด้วยความไม่รู้ตัวมันก็เลยทำให้หาของไม่เจออันนี้เราวางของไม่เป็น แต่ถ้าเราวางเป็นนะเราจะวางของแต่ละชิ้นอย่างมีสติด้วยความสึกตัวแต่แน่นอนนะใหม่ๆมเนี่ยมันอาจจะทำได้แค่ 10% หรือไม่ถึง 10% อเาจะนท่ั้ที่เหลืองเนี่ยวางด้วยความไม่รู้ตัววางตามความเคยชินวางขณะที่ใจลอยแต่ถ้าเราฝึกทำทุกวันทุกวันนะ ไอ้ก า, การวางเนี่ยของเราเนี่ยมันจะเป็นการวางอย่างมีสติมีความรู้ตัวประโยชน์ของมันเนี่ยไม่ใช่แค่เป็นประโยชน์ใช้สอยนะในแง่ที่ว่าถึงเวลาจะใช้มันก็นึกออกว่าวางที่ไหนอันนี้เรียกาประโยชน์ในทางปฏิบัติหรือประโยชน์ในทางโลกก็ได้แต่ประโยชน์ในทางธรรมนะคือว่ามันทำให้เรามีสติดีขึ้น เรามีความสุขตัวต่อเนื่องและสตินี่แหละนะความสุขตัวเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์มากและมันจำเป็นเลยทีเดียวนะในการที่เราจะปล่อยวางความคิดและอารมณ์อย่างที่พูดมาตอนต้นเนี่ยมันเป็นเรื่องเดียวกันเลยนะระหว่างการวางความคิดวางอารมณ์วางปัญหากับการวางของ ในชีวิตประจำวันเนี่ยถ้าระวางของเป็นเราวางยังมีสติเนี่ยไอการที่เราจะวางความคิดวางอารมณ์ที่มันกำลังสร้างความหนักอกหนักใจสร้างความบีบคั้นหรือเผารนใจเนี่ยมันก็จะทำได้ง่าย้ mm hmm. คนที่บอกว่าวปล่อยวาง ปัญหาต่างๆมันทำได้ยากเนี่ยจริงๆถ้าตั้งใจทำเนี่ยนะหรือจริงจังกับมันเนี่ยเราก็เริ่มต้นได้เลยนะเดี๋ยวนี้ที่ที่ตัวอยู่ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นที่บ้านที่ไหนเวลาวางของเนี่ยเราก็วางอย่างรู้ตัวไม่ปล่อยให้ใจลอย คิดโน่นคิดนี่หรือไม่มวัวแต่จดจ่ออยู่กับสิ่งที่อยากจะหยิบจนไม่สนใจนะสิ่งที่วางว่าวางไว้ตรงไหนที่จริงการที่ใจมันไปจดจ่อสนใจสิ่งที่จะหยิบอยู่ข้างหน้าเนี่ยแล้วก็ไม่สนใจสิ่งที่กาลังถือในมือนี่นะ น, นั่นคือการที่ใจนี้ไม่อยู่กับปัจจุบันนะใจมันไปอยู่กับอนาคตไปอยู่กับสิ่งที่จะใช้จะช่วยในอีกไม่กี่วินาทีข้างหน้าจนลืมจนไม่ใส่ใจสิ่งที่กำลังจับอยู่ในมือขณะนัน้นการที่เราจะฝึกใจให้อยู่กับปัจจุบันเนี่ยมันก็ทาได้นะจากการที่เรา ใส่ใจกับของที่เราวางของที่เราจับอยู่ในมือแล้วก่อนที่จะวางเราก็วางด้วยความใส่ใจไม่ใช่ไปนึกถึงแต่ของที่จะหยิบอย่างเช่นโทรศัพท์แว่นตากุญแจเราฝึกใจให้อยู่กับปัจจุบันนะได้ง่ายๆเนี่ยวิธีหนึ่งก็ด้วยการวางของใส่ใส่ใ จ, ใจกับของที่จะวาง หรือที่ปล่อยจากมือไปอยังไงจะเห็นว่าการปฏิบัติเนี่ยฝึกใจให้ปล่อยวางเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องยากมันเป็นสิ่งที่เราสามารถจะฝึกได้ในชีวิตประจาวันและสิ่งนี้มันก็จะส่งเสริมให้ใจเราเนี่ยมีสติในการรู้ทันความคิดรู้ทันอารมณ์สตินี่มันสิ่งสาคัญนะในการปล่อยวางความคิดและอารมณ์เนี่ย เพราะว่าที่เราหนักอกหนักใจเรารุ่มร้อนเราโกรธแค้นเนี่ยเพราะว่ามันลืมตัวลืมสิ่งที่ทำในปัจจุบันไปอยู่กับอดีตไปอยู่กับอนาคตแล้วพอลืมตัวเขามันก็ไปยึดไปฉวยในสิ่งที่ทำให้ทุกข์เรายึดเพราะเราหลงลเพราะลืม นั่นคือเพราะขาดสติแต่พอมีสติปุ๊บเนี่ยเออมันมันรู้ตัวขึ้นมาเลยมันเห็นความคิดมันเห็นอารมณ์ที่แบกที่ถือเอาไว้หรือที่ยึดเอาไว้พอแค่เห็นเท่านั้นนะมันก็วางเลยไม่ว่าจะเป็นคิดดีคิดไม่ดีไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ฝ่ายไดก็ตามสติเนี่ยมันเป็นสิ่งสาคัญที่ทำให้ปล่อยทำให้วาง ความคิดและเอารมณระหวางความทุกข์ได้สำหรับปุถุชนเนี่ยจำเป็นมากยศสตินี่มันก็ฝึกได้นะจากการที่เราวางของให้เป็นที่หรือจักวางย่งมียังมีความรู้สึกตัวอย่างถ้าเราวางของเป็นนะไอการวางความคิดวางอารมณ์วางความทุกข์เนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องยากอันนี้มันเป็นวิธีฝึกง่ายๆนอกเหนือจากการทำอะไรก็ ทำด้วยความสึกตัวทำด้วยใจเต็มร้อยซึ่งก็เป็นสิ่งที่เราควรทำเหมือนกันไม่ว่าจะอาบน้ําถูฟานกินข้าวรดน้ําต้นไม้ก็ทำด้วยความรู้สึกตัวใจอยู่กับมันเต็มร้อยแต่หลายคนบอกว่ามันทำยากนะทำยากไม่เป็นไรนะทำยากถ้าไม่คาดหวังมันก็ไม่ใช่เรื่องยากบางทีคาดหวัง ว, ว่ามันจะ ต้องรู้ตัวตลอดเวลาร0อเอร์เซ์ในทุกเรื่องทุกกิจกรรมทุกงานถ้าเราไม่คาดหวังขนาดนั้นเนี่ยมันจะเผลอมันจะหลงบ้างก็ไม่เป็นไรเช่นเดียวกัการวางของวางร้อยชิ้นนึกขึ้นมาได้เพียงแค่ไม่กี่ชิ้นหรือว่าวางของร้อยชิ้นแต่ว่าวางอย่างมีสติไม่ถึงห้าไม่ถึงส0นะี่ก็ยังดีกว่าไม่ทํแลํทไปเรื่อยเอยเนี่ย สติเราจะเจริญและการปล่อยวางความทุกข์มันก็จะไม่ใช่เรื่องยากอ่ชายนี่พูดท่นนี้นะรกาครับ